จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธายศัตว์ผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อเงใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสางที่ส3มกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5งบเเป็นวันที่ท่านทัหมาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงไม่ปล่อยให้เวลาที่มีคุณค่าอันนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทากุศลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจเพราะว่าการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นพบเดียวที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ อย่างเต็มที่ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, กันจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญเหมือนกับการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และยิ่งได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอันนี้ยิ่งประเสริฐใหญ่เพราะว่ามีครูมีอาจารย์ ที่จะคอยสอนคอยบอกคอยเตือนให้เราทำบุญกันให้เราละบาปกันให้เราชำระใจของเราให้สะอาดกันด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจชาตินี้ถึงเรียกว่าเป็นชาติที่ประเสริฐ านานานจะได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเพราะพระพุทธศาสนานในนานๆก็จะมีขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งดังนั้นโอกาสที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นโอกาสที่ยาก ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งเสียด้วยซ้ําไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรยครั้งยังง่ายกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็การที่ได้มาเป็นมนุษย์และได้มาเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นโอกาสเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เป็นมนุษย์ไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระพุทธศาสนาจะไม่มีวันที่เราจะสามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนอกจากว่าเราเป็นโพธิสัตว์ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจอย่างอย่างเต็มที่ว่าจะสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆถึงจะมาสามารถตัดสร้และทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองคนที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้นี้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่หาได้ง่าย พอพอกับคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้นา น, นานถึงจะมีสักคนหนึ่งดังนั้นพวกเรานี้โอกาสที่จะเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้านี้แทบจะว่าไม่มีเลยดังนั้นพวกเราจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัรู้แล้วก็มาเผยแผ่สั่งสอนความรู้ที่จะทําให้เรา นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โอกาสอย่างนั้นมีมาม่แล้วในครั้งนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็นานๆจะได้เกิดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาไปใช้บาปใช้กรรมนี้ก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน อยู่หลายรอบด้วยกันเท่ากับจํานวนสัตว์ที่เราฆ่าเราฆ่าสัตว์กี่ตัวเราต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์หลายครั้งหลายตัวเพื่อชดใช้กรรมที่เราได้ทำเอาไว้ดังนั้นกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้เพราะ พระพุทธเจ้าได้ทรงปรยากรว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์นี้จะอยู่ได้ไม่เกินห0 0 0ันปีถ้านับมาตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธปานิพานมาจนถึงวันนี้ก็สอง9หหเปีแนละ้วเลยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งก็สอง0้าปีบวกอีกหสบปีก็แสดงเหลือ ไม่ถึงสอ0พไม่ถึง 2,500 ปีศาสนาพุทธนี้ก็จะไม่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรากลับมาในช่วงนั้นเราจะไม่มีใครมาสอนมาบอกมาเตือนให้เราทำบุญให้เราละ บ, บาปให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีคนสอนคนคนเตือนเราก็จะทำไปตามความ รู้สึกนึกคิดของเราทําไปตามอารมณ์ของเราที่แปรปรวนไปไปมามาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่จะชวนให้เราไปทําความโลภความโกรธความหลงกันชวนให้เราไปทําบาปกันนานๆจะมีอารมณ์ที่จะชวนให้เรามาทําบุญกันสักครั้งหนึ่ง เช่นวันเกิดนี้ก็มีอารมณ์ดีอยากจะทําบุญวันขึ้นปีใหม่ก็มีอารมณ์ดีอยากจะทําบุญหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาที่จะมาในอาทิตย์หน้าหรือวันวิสาขะวันอาสาฬหาบูชานานๆถึงจะได้มีวันเหล่านี้มาปลุกความรู้สึกที่ดี มาปลกให้เรามาทำบุญกันสักครั้งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วจะมีแต่อารมณ์ที่ไม่ดีคอยฉุดลากให้เราไปทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นโทษแก่จิตใจก็ะจะผูกให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงนี่แหละเป็นทัวที่จะฉุด จะผูกให้เราติดอยู่กับวัฏฏะสงสารวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่เราโลภนี้ก็แสดงว่าเราเพิ่มภพชาติให้เพิ่มมีมากขึ้นไปเพราะความโลภนี้จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ใจของพวกเหานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความโลภก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความโลภติดอยู่ในใจมันก็จะเป็นเหมือนมาที่จะร่างใจที่เป็นเหมือนเกวียนให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดแล้วก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่นี่คืออารมณ์ที่ไม่ดีที่พวกเราควรที่จะทำความรู้จักและพยายามกำจัดมันให้ได้เพราะถ้าไม่กำจัดมันนี้ การเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันหมดไปได้และการกำจัดมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มีคนทำมาแล้วคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็คิดถึงเวลาที่ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตาย พอนึกถึงเวลาที่ตนเองจะต้องแก่เจ็บตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์จึงไม่อยากที่จะเจอความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยต้องออกบวชเพื่อที่จะได้ไปค้นคว้าหาวิธีหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายพระองค์ก็ได้คำตอบว่า การที่เราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องไม่กลับมาเกิดถ้าตราบใดมีการเกิดตราบนั้นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บและความตายและการที่จะหยุดความเกิดได้ก็ต้องหยุดตัวที่คอยผลักดันใจให้ไปเกิดตัวที่ผลักดันใจให้ไปเกิดก็คือความโลภนี่เอง แล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดความโลกก็คือความหลงหลงคิดว่าการไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นการหาความสุขเช่นเราไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็คิดว่าเรากำลังหาความสุขกันแต่ความจริงเรากำลังหาความแก่หาความเจ็บหาความตายกันเพราะว่า บอร่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความโลภ ก, ก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็จะไปเิดเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่พระพุทธเจ้าจึงทรงคนพบว่าวิธีที่จะหยุดความโลภ ก, ก็ต้องหยุดความหลงให้ได้ก่อนความหลงก็เหมือนกับความมืดบอดเหมือนคนตาบอดต้องสอนให้คนตาบอดลืมตาให้ได้ก่อน เพราะถ้าว่าลืมตาได้แล้วก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวจะได้เห็นภัยต่างๆที่มีอยู่จะได้ไม่เดินเข้าไปหาภัยต่างๆสิ่งที่จะมาแก้วความหลงก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่เราเรียกว่าการตัดสรู้การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการรู้ความจริงว่า การหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ได้เป็นการหาความสุขกันแต่เป็นการหาความทุกข์กันเพราะจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนี้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าถ้าเรามีความโลภมีความอย า, อยากอยู่ภายในใจแล้วเราไม่กำจัดมันและนอกจากไม่กำจัดมันแล้วยังไปส่งเสริมให้มันเจริญเติบโต การส่งเสริมความโลภความอยากให้เจริญเติบโ ต, ตนี้ทำอย่างไรก็ทำตามความโลภตามทำตามความอยากนั่นเองเวลาอยากได้อะไรก็ไปซื้อมาหามาเวลาโลภอยากจะมีนั่นมีนี่ก็ไปหามาอันนี้แหละจะเป็นการต่อยอดเป็นการเสริมความโลภความอยากต่างๆให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆวิธีที่จะหยุดความโลภความอยากนี้ ต้องไม่ทําตามความโลภทําตามความอยากเวลาโลภ ก, ก็ต้องบอกว่าไม่เอาวิธีที่จะไม่เอาความโลภความอยากก็คือต้องใช้เหตุผลเหตุผลคืออะไรสมมติเราอยากได้อะไรให้ถามว่าจำเป็นไหมถ้าไม่ได้มันมาแล้วเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็อย่าเอามา แต่สิ่งใดที่จําเป็นถ้าไม่เอามาแล้วจะตายก็ต้องเอามาเช่นลมหายใจนี่ถ้าไม่มีลมหายใจนี่จะอยู่ไปต่อไปได้ไหมการที่เรามีความอยากหายใจนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภไม่ถือว่าเป็นความอยากถือว่าเป็นความจำเป็นจำเป็นอะไรจำเป็นต่อการเลี้ยงดูชีวิตของเราให้อยู่ไป เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการทำลายความโลภทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราดังนั้นถ้าเราต้องการอะไรถามเกาะถามตัวเราเองว่าจำเป็นไหมเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆยยในร้านอยากจะซื้อมาถามว่าจำเป็นต้องซื้อไหม เสื้อผ้าที่เรามีอยู่ตอนนี้พอใช้หรือไม่ถ้าไม่ถ้าไม่พอใช้จําเป็นก็ซื้อมาได้แต่ถ้าพอใช้แล้วก็อย่าไปซื้อมันเพราะถ้าอยากซื้อแล้วมันจะซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวซื้อแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินตามห้างไปเห็นชุดใหม่แขวนอยู่ในร้านอีกก็อดที่อยากจะได้อีกไม่ได้ความอยากนี้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆ มันจะไม่มีคำว่าพอมันจะไม่มีขอบไม่มีฝั่งเหมือนกับมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอดังนั้นเราต้องใช้เหตุผลมาสู้กับมันเหตุผลนี่ก็คือปัญญาถ้าใครมีปัญญามีเหตุผลแล้วจะสู้ กับความอยากได้จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เช่นวันนี้อยากจะไปเที่ยวถามว่าถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเราจะตายไหมถ้าอยู่บ้านทําบ้านทําความสะอาดบ้านนี่ไม่ดีกว่าเลยบ้านเราสกปร ก, กนะไม่ได้กวาดไม่ได้ถูเลยเสื้อผ้าเราไม่ได้ซักกันเลยเรามาซักเสื้อผ้ามากวาดบ้านถูบ้าน มาแต่งบ้านให้มันน่าอยู่ไม่ดีกว่านี้ดีกว่าเอาไปข้างนอกเสียเงินเสียทองแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองมาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะว่าเวลาใช้นี่มันง่ายมันสนุกพอมีเงินปั๊มนี่แม้มันแทบจะอดไม่ได้ต้องให้มันใช้ให้มันหมดมันถึงจะหยุด พอหมดแล้วก็ต้องไปทุกขกับการหาเงินหาทองแล้วก็ต้องมาใช้ใหม่ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอดัองนั้นเราต้องสู้กับมันให้ได้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันหลอกให้เราคิดว่าใช้เงินแล้วจะมีความสุขแต่มันไม่บอกว่าแล้วเวลาหาเงินมันมันสุขหรือไม่มองไม่เห็นกัน เห็นแต่ตอนเวลาใช้เงินเวลาใช้เงินนี่มันสนุกมันมันดีใช้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีแต่พอต้องหามันแล้วเป็นยังไงเงินทองกว่าจะหามาได้แต่ละบาทนี้ต้องไปทำงานถ้าเป็นข้าแรงขั้นต่ำก็วันแค่300อบาททำวันละแปดชั่วโมงกว่าจะได้300รอบาทมาพอได้มา300อบาทไปซื้อของแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีหมดเวลา300อบาท อันนี้เราต้องสู้กับมันให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะติดอยู่ในวงจรอุบาทนี้วงจรในการใช้เงินแล้วก็วงใช้เงินหมดแล้วก็ต้องไปหาเงินหาเงินได้มาแล้วก็ไปใช้เงินใหม่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาท mm. ำบุญมาละบามาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุ์ได้ เพราะการที่จะชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ได้นี้เราต้องทำทั้งทำบุญด้วยและต้องไม่ทำบาปด้วยแล้วเราถึงจะมีกำลังที่จะไปสู้กับการทำลายความโลภความอยากต่างๆอย่างวันนี้เรามาทำบุญกันเรารู้หรือไม่ว่าการทำบุญนี้ก็เป็นการมาฆ่าความโลภฆ่าความอยากกันเพราะว่า ถ้าเราไม่มาวัดเราก็อาจจะอยากไปเที่ยวกันอยากจะเอาเงินไปซื้อขนมซื้อของเล่นของกินของดื่มของใช้ที่ไม่จำเป็นกันพอเราคิดถึงว่าเราต้องมาทำบุญเราก็เปลี่ยนใจแทนที่จะเอาเงินที่ไปซื้อของเล่นของไม่จำเป็นต่างๆเราเอามาทำบุญกันเราก็มากำจัดความโลภความอยากไปได้หนึ่งตัว วันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวหนึ่งวันเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญวันนี้ไม่ต้องไปซื้อของที่ไม่จําเป็นหนึ่งวันเอาเงินที่ไปซื้อของไม่จําเป็นนี้มาทําบุญกันอันนี้ก็เป็นวิธีชําระใจขั้นต่ําขั้นง่ายๆคือเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆนี้เอามาทําบุญกัน แล้วเราก็จะได้อาหารของใจด้วยอาหารของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่กับข้าวกับปลาของขาวของหวานของเหล่านี้เป็นอาหารของร่างกายต่อให้กินจนร่างกายกลายเป็นตุ่มใจก็ยังหิวอยู่ใจก็ยังอยากอยู่ถ้าอยากจะให้ใจอิ่มแล้วใจจะไม่มาทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มเราก็ต้องให้อาหารใจบ้าง ไม่ใช่แตให้แต่อาหารร่างกายอาหารของใจก็คือบุญนี่เองเวลาเราทําบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจถ้าทําบ่อยๆขึ้นต่อไปรับรองได้ว่าจะไม่หิวโหวยกับเรื่องอาหารการกินจะกินพอประมาณกินให้ร่างกายอยู่ได้แล้วเราจะได้รักษาร่างกายของเราให้มีหุ่นสวยงามะ ไม่ให้ให้กลายเป็นตุ่มไปที่เป็นตุ่มเพราะว่าใจมันหิวแต่ใจไม่เคยได้รับอาหารมัวแต่เวลาหิวทีไรก็เอาอาหารให้ร่างกายกินไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มไม้มใจเคยอิ่มบ้างไหมกินเสร็จไปอิ่มใหม่ๆเดี๋ยวยึกถึงขนมก็อยากจะกินอย่างแวงทั้งๆที่ร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วอ้วนแล้วน้าหนักเกินแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้าฟิตเนสแล้ว มันก็ยังหิวอยู่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารใจกันอาหารใจคือบุญถ้าอยากจะมีความสุขใจอินใจทำบุญกันละบาปกันการไม่ทำบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเวลาเราไม่ทำบาสนี้เราก็จะกําจัดความอยากที่จะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปลดไปเสพสุรายาเมาได้ พอเราไม่ทำบาปใจเราก็สบายใจเราก็มีความอิ่มใจพอใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจอันนี้ก็เป็นวิธีของการที่เราจะมากำจัดความโลภความอยากต่างๆท่านที่หนึ่งก็ให้ทำบุญท่านที่สองก็ให้ละบาปกันรักษาศีลกันให้มากๆตนะลอดเวลานะวันธรรมดาก็รักษาศีลวัน รักษาศีลห้าวันพระก็มารักษาศีลแกันเพื่อมาตัดความอยากตัดความโลกให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเรารักษาศีลแปได้เราก็จะมีกำลังที่จะไปนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ถ้าเรายังรักษาศีลแปไม่ได้นี้ใจมันยังเป็นเหมือนลิงวิธีที่จะจับลิงให้มันอยู่เฉยๆก็ต้องเอาเชือกมามัดมัน จับมันใส่ไว้ในกรงกรงที่จะจับหนึ่งคือความโลภความอยากของเราก็คือสีนแปนี่ถ้าเรารักษาศีนแปได้นี้เราก็จะกำจัดความอยากหรือควบคุมความอยากไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปกินไปดื่มได้พอเราสามารถทำให้ใจมันอยู่กับที่ได้ไม่ออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ เราก็จะเอามันมานั่งสมาธิได้มาทำใจให้สงบได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้เมื่อไหร่ความโลภความอยากต่างๆมันจะหยุดทำงานทันทีชั่วคราวขณะที่ใจสงบนี้ความโลภความอยากจะหายไปแล้วเราเ จ, จะ เ, เจอสิ่งที่มหาศักดิส์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคือความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบ ว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละถ้าเราได้มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะเห็นโทษของความโลภของความอยากต่างๆและเราจะพยายามที่จะกำจัดมันวิธีที่จะกำจัดมันอย่างถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลเหตุผลที่พระเจ้าทรงค้นพบว่า การทำตามความโลภทำตามความอยากเป็นการไปเดินเข้าหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการเดินเข้าหาความสุขกันเป็นการเดินเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องไม่ทำตามความอยาก ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราจะทำได้อย่างง่ายดายเหมือนกับเรามีสิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ในตอนนี้เช่นตอนนี้เรามีแฟนคนเก่าถ้าเราได้แฟนคนใหม่เราจะเก็บคนเก่าไว้ทำไมถ้าคนใหม่ดีกว่าคนเก่าเราก็ยกคนเก่าให้คนอื่นไปได้คนที่มีความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถ เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกหาความสุขจากกินจากการดื่มจากการเที่ยวจากการดูจากการฟังได้เพราะมีความสุขที่ดีกว่าแล้วยิ่งทั้วรู้ว่าการไปหาความสุขด้วยความโลภความอยากนี้เป็นการไปหาความแก่ความเจ็บความตายกันก็ยิ่งจะทำให้ไม่อยากจะไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องมีให้ได้ก่อนก็คือความสงบ ถ้าเรายังไม่มีความสงบเหมือนตอนนี้ต่อให้สามีเดวอร้ายโหดร้ายขนาดไหนก็ยังดีกว่าไม่มียังทนอยู่กันไปได้แต่ถ้าได้สามีคนใหม่ที่รวยกว่าที่ดีกว่าจะเก็บสามีคนเก่าไว้ทาไมทิ้งได้เลยจันใดความสุขทางใจก็เป็นเหมือนสามีคนใหม่ถ้าเราได้ความสุขทางใจแล้วเหมือนได้สามีที่ดีไม่มีอะไรตำหนิได้เลย ร่ำรวยมาหาศาลเลี้ยงเราไปจนวันตายกินไปสิบพบสิบชาติก็ไม่มีเงินไม่มีวันหมดไม่มีวันที่จะยากจนเราจะไปทนอยู่กับสามีที่หาเช้ากินข้าไปทำไมจะกินมือขาดมื้อไปทำไมเมื่อมีมาหาเศรษฐีมาเลี้ยงเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดนั่นแหละคือความสุขทางใจถ้าเราได้ความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบแล้ว เราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้คนที่ออกบวชกันได้ก็เพราะว่าเขาได้พบกับความสุขอันนี้กันเขาจึงทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองอะไรต่างๆได้เพราะว่าความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการไปทำใจให้สงบไม่ได้ไปทำใจให้ปราศจากความโลภความอยากต่างๆไม่ได้ ทำไมเราต้องทำลายความโลภความอยากเพราะความโลภความอยากมันเป็นตัวทำลายความสงบของใจนี่เองและเป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันนี่แหละสิ่งที่พวกเรามาทํากันวันนี้มาทําบุญมาละบาปมากาจัดความโลภความอยากกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปและความแก่ความเจ็บความตายที่เราจะเจอในชาตินี้ ก็จะไม่เป e ็นปัญหาอะไรกับเราเพราะเราไม่มีความโลภให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันอยากจะแก่มันอยากจะเจ็บมันอยากจะตายเราไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเรายังมีความโลภไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายอยู่แต่ถ้าเรากำจัดความโลภไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายได้เวลามันแก่เจ็บตายเราจะไม่เดือดร้อน นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามาวัดมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และเราจะได้บำล ม, มสุขได้ปรมังสุขขังเป็นผลตอบแทนดังนั้นขอให้พวกเรามีความแน่วแน่เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะมีความทุกข์น้อยไปเรื่อยๆภบชาติของเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้ในที่สุดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล